มากกานั้นนะให้ไปอยู่วัดนางภาวนาตลอดวันตลอดคืนบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอ่านั่นแหละอันนั้นคือรวมทั้งกายว่าใจาใจของเห้าถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตัสสรูปริพพานมันนี้เป็นวันที่ยีสิบสองเมืออื่นเป็นวันโกน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 ขอบูเดทไว้ข้ากาันเทศเจ้าภาพเองล่ำเองเอาน้าไป เ, เนี่ยแหละเมื่อแรก น, นี่ยะด้มีการสวดพระอภิธรรมแล้วก็วันที่ยี่สพกจะเป็นวันประชุมเพิ่งพ้นบวรีคอ เ, เป็นพระราชท่านเพิ่งแต่เป็นวันประชุมเพิ่งอย่อางไรก็ได้คือกันนั่นแหละ พี่น้องไปชาติชทลัษฎาญาติโยมของคงจะร่วมกันย่านยายางเดี๋ยวแต่ญาญจะฝนตกจะอืดอัดพอสมควรมาเป็นแอ่งน้ำพอสมควรอยู่ไปเห็นเมะว่านเมื่อกรูดฝนตกโอ้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอือาดอัดรถขยับขยืขย่นบ่ใดเลยในงานของหลวงพ่อคูณวันที่เพิรนเอาศพมาเนี่ก็ตกอย่างแรงจกอึ่งอ่างกบเขียดห้องฉ น, นันวันไหวในคืนนั้น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 ท่าฮวาเขาอ่านหนังสือทุกเคลมเนี่เพิ่นกับโมกลุ่มของเพิ่นเป็นผู้เขียนเน่ยเขาจะรู้จักเลยว่าเพิ่นมอบกายถวายหัวกับองค์หลงตายอย่างชุดสึ่งหาได้ยากเป็นผู้จงรักภักดีนะีบอมแมนทีเอาที่สิ่งที่บอนั่นเอาแต่สิ่งที่ประสบประ ก, การสิ่งที่ได้พบได้เจอได้เห็น เด็เขามาศึกษาในปฏิปทาขององค์หลวงตาอย่างชดสิ่งเด็นํามากเขียนเหลี่มชุดไทยกับมรดกของวัดป่าบ้านตาดเป็นไล่ไล่เส้นอีกต่างหากเลยไล่เขียนรูปภาพทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องเขียนเป็นรูปเขียนทั้งหมดก็บรรพรุษเขียนในนี้มันโมเมนธรรมดาหาผู้เขียนใหญยากถ้าเป็นราคาครไม่ค่าที่เดียวนังสือที่ เขียนไล่เขียนเป็นประวัติของวัดปลาบัณฑาตา์อันไหนเมือว่านเพลินกระปุวยก็ตามไม่จริงเพิินกับสุขภาพของเพิินกระบอกข่อยดีมาแต่ใดแต่ไรล่ะอันดับแรกเพลินว่าเพลินโอ้บอ ก, บ ก, บ ก, บกลูกบอกหลานเน่าเรื่องสูบปุรีโมเมนแนวดีมหลายหลายอย่างบรรดาเถ่าแก่ชะล่ามาแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันตั้ง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 เอาหนาำถ้ำโอวาดขององค์หลวงตามาปฏิบัติเนอร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักมือหนึ่งเขาจะต้องหนีจากร่างกายของเขาร่างกายของเขาจะแตกลงสู่ดินน้มล่มไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นในร่างกายเนอะจะถึงยางไนรกร็บอกกันได แต่ว่าถึงข้าวหนีคือว่าอาตหิอัตโนนาโถนะตนแรกเป็นที่พึงของตนโกหิหนาโถปรโรสิยาคนอื่นใค ร, เร่เล่ยจะเป็นที่พึงเฮาได้นอกจากปัวเฮาเท่านั้นแหละบัดเนี่ยลงพอหาไปก็ให้ความให้กำลังใจนี่แหละสรุปแล้วก็คือร่างกายสังขารของมนุษย์ชาติเนี่ยตามมาพิจารณาเบิง้งที่ถวนถวนทีแล้ว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 ถึงจะถอยไปอยู่ห่างๆก็เถอะขยับลาถอยไปเออกิดตั้งท่ำปากขมุกขมับ น, นวดขยุบพยับโยนออไปเออหรือชัตราอาวุธที่พร้อมที่จะเข่ามาตตะลุ่มบอนอยู่ตลอดเมื่อว่างเมื่อใดเมื่อเผลอเมื่อใดเอไปพญาทหารพญามัจจุราชที่พร้อมที่จะเข่ามาได ทุกเว ล, เวลาเนะพราะนั้นพญาอวถก็ดีพญาจิตตลาดสนะ่งคุณพ่นไว้เตรียมคุณพ่นไว้ก็หาเวลาเผืออะไรขึ้นกันถึงบางครั้งเวลาคณะคณะน้อนคณะนอ น, นะอ น, น, อนนะก็ย่งเตรียมเครื่องอตรวจหัวใจตรวจความดันแล้วว่าตรวจการหายใจเจ้าของไว้อีกเพื่อมันจะยุดจันเอาวัดเผอ่ะ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 บารหฮาแล้วเขาจึงจับใส่ใส่เครื่องบินไปแล้วไปยนลงไปต่างประเทศไปหอดพุ่นระเบิดนะจักสีกินยัางบัเลนนะั้งสั่นกรมตโตีโตโตเตเตอันนั้นแปลว่าผูบ้บอบพร้อมผู้บริขดว่างแผนลวงนาการผูกวิทค์ขดว่างแผนลวงนาเนี่ยก่อนเขาจะไปต่างประเทศเนี่ยเขาต้องคิดเลยเงืนของเขามีบอ บัตรเอเห้าบอเวลาเจ็บไข่ได้ป่วยอยู่เมืองนอกเด้ห้าจิตติตอประสานไผกับเป็นคนทีแรกเงินล่ะเงินของเฮ้านี่ที่อยู่ควาดใกล้ๆ ไ, ได้อยู่ใสโอนแบบไรออนไล์แบบไรติดตกับไผกรบบอทั้งพีไวอ้อีกบอกกับพีกับนองกับหลูกกับหลานไว้อีกเมื่อเฮ้าจะไปต่างประเทศเนี่ยเมื่อไปแล้วก็ บ, บัต น, นี่นาดนน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 ชัตท่าญาติโยมหลูกหลานทั้งหลายขึ้นกันจะต้องคิดให้ดีขึ้นกันคานาว่าเท้าเตรียมพร้อมไว้แล้วเอาเถอะเท้าจะไปโลกใดก็ประเทศใดก็ไปเถอะเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้เท้าตรงมีแล้วก็เมืองปลโลกไพ่ภาคนาบ่ ม, มีโจรบ่ ม, มีผู้ไรต่างหากบ่ ม, มีการคดการโกงกันอีกต่างหากซื้อใดก็ซื้อนั่นขันผู้ใดทําไม่ ย, ยั้งกั น, นั่นแหะ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 ม่องใส่ม่องขวาม่องหนาม่องหลังเนี่ยเลี้ยวหนาเลี้ยวหลงังงกงากร ง, ก, งกเลยนะพอเหตุใดพออายุกเจ็ดสิบปีนี่ตายไปรู้ชักสักขู่สักคนทั้งพระทั้งโยมมันอยู่จุด ท, ที่มินเมตเข้าไปเรื่อยๆพอเองรู้พ่อเองกับนี่นละตั้งอยู่ในความบอรประมาทขึ้นกันซึ่งไหนจะเป็นคุนงามความดียังพวกคณะัาญาติโยมลูกลานได้เห็น